เมื่อทำอย่างนั้นมันเป็นมันก็เป็นบริษัท ter, ที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ของบันษัทนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุท ธ, ทธบริษัทที่ปลอมทัานเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจัง ถึงแม่ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นดิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้จะเป็นผู้ปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยาญาปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาประททั้งหลาย จานีปฏิปนโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เรานั้นเป็นสมาชิกขึ้นต่อองค์สมุดสัจธรรมรุพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทขอ ง, ของพระพธิ ถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าเนื้อี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้จะนต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครแต่อพระธรรมผู้ใจพระสงฆ์ผู้ใจบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านเดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้า เราก็จะรู้จักคารพพระพุทธเจ้ารู้จักทําตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักเจ้าขี้ของท่นานเราก็จะขี้ของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นประวัยพระพุทธเจ้าที่ปลอมคือไหว้แต่ไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้จากนั้นเป็นต้นเรียกวการไหว้ภ า, ายนอกไหว้เป็นนั้นก็จะสร้ารประพฤติปฏิบัติอยู่ใน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำกิจ เราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมอพระพุทธเจ้ามันดื้อู่กเฉพาะหน้าของเรานี่เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ากานเห็นเราอยู่อมองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราตอบกระรอกตพระพุทธเจ้าอาจะดุจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้ชามองแเราปรัวท่านลายต่อท่านปรัวท่าน อันนี้สมมันกันเราเข้าถึงพระพุทธระเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องระกไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทํำจะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดจะสิ่งที่เป็นประโยชน์คิดจะสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียววาแค่พุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามมาทำพระพุทธเจ้าโดยรูปประธรรมโดยประถุ โดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ธ า, จาตจักรุูมามันบัดนี้ปฏิวัติศาสตร์มีผานไปแล้วจนๆแค่ที่จริงพระพุทธเจ้าโรยนามมาทำนั้นพึ่งไม่ไม่ไปที่ไหนคือสัตว์จะทางคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่ จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปกักรักษาคุ่งครองพวกขั้นทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาตรตลอดเวลาคือใครทําดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใคร ท, ทําผิดมันก็ต้องผิดอยู่ตลอดเวลาใครทําถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทําอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทําถูก ถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันประผิอยู่จะไปทำอยู่มากจนด้วยกันทำถูกมันประถูกอยู่ทำผิดมันประผิดอยู่เป็นต้นคือสัตว์จะทำคือความจริงนั่นเองะอืมที่เรียก ว, ว่าพระพุทธเจ้าจะให้พิฆาตดาดสัตประมานเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทำแบันนี้สัตว์จะทำนี่จะทำผิดถูกต้องเยั็น ท, ท, ท่านยังเชื่อเราอยู่ถ้าทํากันยังเชื่อเราอยู่ถ้าเราทําดีเป็นธรรมะมันก็ยังท้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยูที่ไหนจะทำเป็นอย่างไรถ้าสงฆ์อยู่ที่ไห น, น, ไรไหนเราก็ไม่ไดูเรื่องเราก็พูดแต่ว่าอฉันกระเสรินคุณของท่านอยู่เสนอ อระหังจำมาจำโพโตสาวาโตสวาดาตโมสุปฏิปโนปักโตซาปะกันโตพูดเรยอะถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมประโตกจะหารูปไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรท่านสูงอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่ได้จักก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีความกราบท่านไหว้ท่าน ก็เลยมากราบถันโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยด้ี่ว่าจะกราบประพุทธแล้วจะเสิดบุญจะกราบประธรรมและวมจะเสิดบุญจะกราบพระสงฆ์และวมจะเสิดบุญกราบวาระที่หนึ่งจะเกิไม่ถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็พุนธไม่ถึงประธรรมกราบประรรมที่สมก็ไม่ถึพระสงฆ์เอาสามครั้งนึ่งถวายท่านแต่ไม่รู้ใจกกนนี้ความหมายอย่างไรอันนี้การประพุทธขึ้นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นพุทธบริษัทที่ปลอม น่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราจะในต้องไปนึกคิดอะไรมั่นมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวายจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกวบามันจะดีไหมมันจะขวบไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไ้ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจนั่นก็คุณ ออถ้าเราทเรียกว่ามันมืดใจมันขุนนะเมว่าสิ่งที่อาน้ํามันขุนนะเราจะไปมองดูเงาของเราเราก็ไม่เห็นรักษณะน้ํามันขุนใจเราที่มันขุนขึ้นมาไม่รู้เนี้อดูตัวอะไรไม่รู้จักร่อไม่รู้จักรเม่ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่โดยใจมันขุนกเหมือนน้ำข้างนอกมันขุนเราจะมองดูเงาไร้ํา้ันนั่นแต่แฉน้ันั่นไม่สามารถด้วยใจมองเห็นเงาตัวของในน้ำได้ นั่นเป็นไอความขุ่นมัวของกิรลสลาภปีติโภชปีติโมหปีติอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงสะพัสการทำประสงค์เป็นเพื่อพึ้นของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็แสอนว่าระพัสเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี้แล้วไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดคิดขึ้นจนไม่กล้าจะทําถึงมันจะโกรขึ้นมากๆเป็นต้นต่อรู้มันจะหวังสะพัสเจ้าในกะานมองเราอยู่ท่านยักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้น แต่ท้ายกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่รักษาบ้านเมืองเหมือนแมะเมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ระวังไม่กล้าไปทํามันนั้นไม่กล้าไปทํามานี้นะเพราะอะไรเพราะสารบัญ่มันจ้องอยู่นั่นแหะไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานะก็กลัวอย่างนี้เราเนี้ส่วนมันกานให้ใจว่าเราได้ถึงสพุตตัวดีพระธรรมตดีพระสงฆ์ดีนั้นเชื่อว่าเราจะยืนอยู่ตัดีเราจะเดินอยู่ตัดีเราจะนั่งอยู่ตัดีเราจะนอนอยู่ตัดี ก็แสดงว่าพระเจ้าเป็นอะไรคือพระพจท์ประธรรมประสงคในห้อมล้อมเราอยู่นี่เป็นอย่างนี้ทําไมเราอยู่ถ้ามองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทําชั่วก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธประธรรมประสงคเป็นตัวซื่อของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธประจรรประสงคเป็นทีวซื่อเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนประธรรมอยู่ที่ไหนประสง์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันดีแท้จริงคือสัจจะธรรม มี่นพระพุทธผู้ไยถึงถึงระทำเป็นต้นคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระสงฆ์เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธรบริษัททั้งหลายปฏิบัติเป็นต้นอืฉะ น, นั้นผู้ถึงพระรัตนกายแล้วเจริญผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าจะพุทธเจ้าสอนเหงื่ม่อทำบาปอย่นี้เป็นต้น เมื่อเราจะทําบาปเมื่อเราจะคิดจะทําบาปเราก็รู้ก่อนแล้วก็ไม่กล้าจะทําหรือทําก็ทําแต่น้อยทําเพื่อจะละไม่ทาเพื่อจะทําต่อไปนคิดใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธพระอรุตรัตนใจนั่งคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่น ขอใกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้นก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธประธานประสงฆ์นี่มันจะยากมันจะลาบากใครจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นสอพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุตรแี่มันยากแต่เรามองเห็นยังไม่มันายากบ้านเมืองเราทุกคนคนนี้ว่าเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดทกคนไดยใช้ให้ก็ว่าพุทธทางก็เป็นใครกว่าทำงานก็เป็นใครก็ว่าทั้งทางก็เป็น ใครจะปราบก็เป็นไหว้ก็เป็นจะมาทานชิมก็ได้นั่งฟังธรรมก็เป็นไม่ใช่เหตุการณ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริษัทไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้เลยกราบประพุทธกราบประธรรมกราบประเสงไม่ใช่เหตุการณ์เท่านี้ที่ว่าสัตว์ฟังร้ายฟังธรรมในบรรลุธระทํา่นในสังเพียงเท่านี้ผู้ที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นําธรรมนั่นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นจนจิตเราก็เป็นพันจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรม ทำกับจิตโดยพลตีกันครับเป็นอันเดียวกันอยู่สะสมก็นใช่เลยเป็นก้อนเดียวเป็นเดี่ยโกทำโมจิจะเป็นธรรมทำมันก็เป็นสิตตีมันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัทมันหายากนะเอราจะมีพระอาจารยสระไดไม่ให้สาวมองเนี่ยมันก็หายากไม่ป็นของหายากไม่ใช่ว่าการเพียงที่คิาถึงว่าจะท่านี้พอแล้วการเรากราบนี่พอแล้วการเราไหวก็พออยู่แล้ว การเล่าขาวัดภาวานี่ก็พออยู่แล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพิ่มจนในสูงกว่านั่นอีกการสวดมีตรวจไปทําไมการปราบไปปราบทำไ ม, า ก, าม ก, าการาเขาวัดเหตุเข้าไปทไําไมการตังธรรมฟังไปทไําไมเราจะต้องกติจารณาเรื่องการเจริญภ า, าวนามันจะไปแจ้งโน่นจะแจ้งสิเราภาวนาโน่นไปแจ้เงเรืการปราบการไหวการ น, นเนี้ยมันไปแจ้งสิการภาวนา การภาวนาก็พวกง่ายๆการกระทรในมันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นอะไรยังมันเกิดขึ้นมาที่ยังไม่หมดไปของไม่ดีนั่นเาก็ทำให้มันขึ้นไปให้มันหมดไฟแต่ต้นทําให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันมีให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นซึ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนแลเป็นประโยชน์นื่นนั้นเ็นต้นพยานการสมเพ mmm kind of okay? ิ่ม อย่างนี้เป็นต้นเช่นการห้ามว่าเออเราเป็นพุทธบริษัทพูดถึงบริษัทผูดถึงพระพุทธศาสนาประสงค์นี่นะให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นน่ะท่ามีการห้ามหลายอย่างอืการห้ามในทางความผิดการเลี่ยงขี้เราก็ดีการค้าขายเราก็ดีเขียนยึดชาไม่ยึดชาเลี่ยงจากการค้าขายไม่ชอบทํานค้าขายมนุษย์ขายยาพิษขายโซลาค้าขายสาเหตุเพื่อเรื่องขีพของเราอย่างนี้ มันไม่ใช่เป็นค่าขายของพุทธบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นต้นนอกอื่นอย่างการอยู่การกินอยู่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเป็นต้นดูท่านว่าไม่ให้ทานไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ให้องให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูไม่ใบริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อนีไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอืม มันุษยเราไม่จงเหนือโวดสัตทั้งหลายนะมันเนื้อขวสัตทั้งหลายถ้าใครทานเนื้อทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเจ้าหองบันพับ้บธรรมดาไม่เห็นหน้าต่อพระเจ้าเนะีนะ่ยสมัยโบราณกนละัวมากเช่ยเรียนวิชาอาคมนะัม่นในในศาลมางสังสิทิ์อย่างอย่างนี้เป็น่อกลัวกันสมัยก่อนนะแต่ความจริงๆทีนี้ก็เพื่อปรับปรุงตัวเราให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอนี้นเอง สถาบริษัทว์แท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์นี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนอาอุปชาท่านสอนนาศเออดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหายากนีย่ยากหนักยากนานเกิดมาเป็นสัตว์ประสาทมันง่ายเกิดเป็นมนุษนยนมนษ์มันยากเราก็มาคิดว่าเออมนุษย์มันจะยากทำไมบางครั้งเกิดมาทีละสองคนก็นี ทุกวันเกิดมากที่สุดจนซกฟันเลยแล้วเอาเอาคนเอาสองคนแต่นั้นเด็กติดตายตานะออืถ้าท่านพูดเรื่องมนุษย์มันเกิดยากมันจะมาแย่งจากความเห็นของเรามันยากทําไมมนุษย์ในนี้มันจะอัดแตรในเมืองไทยในทะเลทำไมมนุษย์มันเกิดยากอันนี้มันตาดมนุษย์อันนี้มันเกลียดมนุษย์อย่างในป่าอะไร่ไม้มันเยอะตายเสียบักไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมากออื ไม้ที่มันใช่ประโยชน์ได้มันน้อยท่านพบถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม้ทุกสิ่งสารพัดมันมีทางนั้นแหละแต่มันก่อนใช่ได้ยมุนกันกับปัญญาของคนปัญญาคนปัญญาคนชานคนเห็นผิดในปัญญามันมากแต่พระโอดฐิทีอะไรการเดียดเยียนการวางแนวการลบวางหลักการในการจางเดียดเยี่ยนเสียบสีสื่อหนึ่งดีเสียปัญญามากแต่พระพุทธเจ้าปัญญาท่านอาศัยนอกธมาก่อสั่งอันเชอ คนนั้นคนพรามนะนะปัญญามันมากมันก่อมากใส่ปัญญาซ้ำหรอกไม่ใปัญญาดีนะเหมือนแต่ผลไม้นั่นแหละในป่านัเนี่ะเยึดไปไม้ในป่ามันก่อมากก่มากไปตั้งมันเยอะมากผนไม้ที่ใช่ในประโยชน์อไม้ที่ใช่ในประโยชน์จะมีกี่ต้นในรัดต้นสกุลนี้แต่ผลไม้ในป่ามันมากกปตั้งมันเยอะมากผลไม้ที่มันบริโภคไปได้ <บ> <PTSD> นนมันก็เหมือนตาม่มีนะัรัเกิดมารกแตมเขาเปล่าเป่าเกิดมารกแต่บินเขาป่าเปนั้นเต้นเต้นใคคิดอย่างนั้นถ้าพูดแล้วในต้น well şey uh ไม้ในป่านีมันก็หาเลยยากอืม้หาเลยยากอยิ่ตปนไม้จะมันเป็นยาเกิเป็นไม้ี่มันดีทำเหตุทํากางงานในระดับช่องในราะเอียดต้อดีมันน้อยใต้นไม้ในแมันเยอะมันมากมากตปามันเยอะแต่มากกว่าไม้ก็ม่นี้นะยางโจรเป็นต็มปัญญามันมากพระเจ้าเจ้าไม่เอัศจรรย์เนาะ แต่หน้าก็ช่างมันเถอะมากกว่ามากปัญญาซามไม่ใช่ปัญญาดีครั่ต้นไม้ตามันมากมากไรช่างมันเถอะต้นไม้ถ้ามันเกิประโยชน์ได้นันแะแล้วตัมันไปแ้วก็เผามันแต่นั้นเนี่ยมันจะทาบ้านทำช่องหรอกมนุษกายนี้แต่มันกันทนัานมนุษย์เกิดมาก็หาอะไรยากถ้าไม่มนุษย์มันมากเนี่ยสมัยมันมากกามันยากเนียมันมากไปเจ้าบ้านตัามนุษย์แกนมนุษย์มันหาอะไยากมันก็ไปนี้หรอจะรู้จากแกนมนุษย์ไห ถ้าเป็นมนุษย์ผิวแท้เราอยู่โดยกันจะนี้อะไรเนี่ยแยกกันในแต่ละการอยโ่ด้วยกันสบายคือเป็นมนุษย์ผี่สมบูรณ์ในจิตช้ากันในพยาบาทกันคือมนุษย์ที่มีสิ่งห้าประการโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่ามนุษย์ผิวแท้เนี่ยบ้านตัวเมืองเราเนี่ยมันจะมีสี่คนมนุษย์นี่อบ้านต่อเนี่ยประเทศไทยอะไรนี่แหละมันจะมีมนุษย์สี่คนมนุษย์ที่มีสิ่งห้ามนุษย์ผิสมบูรณ์บริโบูรี่ เชนต้นเนื้อฉะนั้นโลกเรามันเป็นท่องในความดีเสนอละมีความเห็นมากความยาบยากมากแต่เพอะไรแค่ว่ามนุษย์มันน้อยไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มี่ะแต่ว่ามีแต่ว่ามันน้อยเช่นต้นแต่มันน้อยมนุษย์มันเกิดยากใครจะนัรักษาศีลห้าได้ไหทุกคนไม่มันเป็นปองหาเลยยากถ้ามันได้ยากอย่างนั้นเช่นต้นคนรักษาศีลได้ยากสมบัติของมนุษย์มันก็น้อย เมื well, ่อสมบัตของมนุษย์มันน้อยคนที่เิดเป็นมนุษย์มีสินคาบริวูอนี่มันจะน้อยยิ่งนั่นจะมาเกิดมามันหายากถ้าเราเกิดมายึดท่านเกิดมาสั่งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ต้องเกิดมาอีกเกิดม่ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยอย่างนั้นมันสี่คนอันนี้เราะสดงหาที่เกิดนะถ้าพูดอย่างสันพเดสีมันเป็นประโยชน์ต่อการตัวเราเนี่ยสมัยพิมาณีเนี่ยมาแสดงหาที่เกิด อยากจะออกจากรร ค, ความารโลภความโสวามหลงอยากจะอาาบบาะอกจากบาตดำทา้งหลายทั้งหลาได้เไหมนะเส้นประจามถึงเนื้อพระสักสันจูงมาออกจากครอบครัวคารวะออกจากบาปตากดำนั่นไปเห็นอยู่แต่ว่าอิชันยังยังมีศุราอยู่ยังยุ่งบ้านยังไม่เสร็จอะไรยังไม่เบียได้อยพออิชันหมดศุราะจะกรอนอิชันจะมาอิชระอะไรมันจะหมดแล้ว ลูกคนนี้โตแล้วลูกคนมันต่อมาโตไปนานอีกแล้วลูกคนนั้นเกิดมั่นโตแล้วคนต่อก็เขาจะทำไงลูกจบท้องจบ thai เสร็จแล้วมันก็โตอมาแล้วนะอืเลี้ยงเขาไปแต่งงานเขาแท้ให้มันเสร็จซะถ้าไม่แต่งงานให้มันมันไม่เสร็จเรื่องมันหลอกไปแต่งงานให้มันกซอดูสาวคือเกิด thai คือ thai ไปแต่งงานให้มันรู้เรื่องดีรอบมันก็เสร็จเรื่องนั่นยิ่งมันเรื่องยิ่งมันมากนะจะแต่งงานให้มันก็ยิ่งเรื่องมากก็เล่าอีก นะจะตรงให้มันเป็นปูกซเป็นปรตาตาตะดานซะมันจะหมดเรื่องเพะมันจะช่วยตัวพอมาได้มันจะยิ่งแล้วอยู่ล้วหัวมันก็เป็นปู่หญิงมันก็เป็นปูู่กมันเกิดมาไม่มีใครเรียงนะแต่จงอุตส่หาห์อ้มไปให้ปู่ให้ยา่าให้ตาให้ยายมาเรียกซะถ้าไม่มีใครจะเรียกให้เขาก็มาเด็กทำ ง, งานนะแตถ้าพอแม่ไปไหนะพอแม่ไปทา ง, งานะาอ่าจะไม่เอาให้เ้าไปไหนทำงานอือมันเปตนดีบอยนะนะ ลูกเจอจะมาแล้วแต่มีหลานหลานมาโตขนานไ้ก็แต่งงานแล้วเจ้าให้มันเสร็จเรื่องมันไปทางยังยิ่งเรื่องมันมากตัวอะไรมันจบหรือมันไม่จบอย่างนี้มันก็ยุ่งขนไหนอะเข้าไปในตัวจะแต่จะไม่ทําอะไรมาบางทีเขาเอาปลาสดสดมาให้จะให้ยายทาตัวการตัวจะทําอะไรเนี้ยจะทุกหัเนื้ปลาขนาดไหนแหละเนี้อจะขัดขากรดขนานั้นแหละเนื้อจะทุกอะไรต่างๆฮะได้ทําไม แต่พ่อจะมีศีลจะทากันเนี่โอ้ยจะตะโอนม่ทําจะไมีใช้จะทำให้ล้า ม, มันเกินเด็กไปงงัานแบบเนี้ยเดือดตัวแล้วแตว่ลีืยงลูกเดือหลามเดือดเกลือนอะไรนันทุกหมดไปอย่างละอย่างนี้นนหลักคือเรือ่องงานมันจบเราก็ควรทีลสิ ร, รณาเอาคนจะไม่ตั้งใจมีศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์นี้มันจะมีสี่คน ถ้ามันไม่มีสี่คนคนมันก็น้อยทำไมมาถึงน้อยแต่มันเกิดเป็นมนุษย์ยากอืมเกิดเป็นมนุษย์แยากอืมอืมมนุสี่สมบนรณ์มันเกิดไดยากไม่ใช่ว่ามันตายแต่ละมันเกิดเกิดแบบนี้แหละให้มันเกิดเป็นมนุษย์ตัวที่แบบนี้มันเกิดยากมันเกิดงี้ลองเรามีชิ้นห้าบริบูรณ์ก็จะเป็นมนุษสมบูรณ์บริบูรณ์ทานะจะดีไหมดีไหมมีใครสมโภชไม่ใครแย่องกันไม่ให้มีอะไรกันตรงนั้นเนี่ยมันต้องหกัรงนั้น แต่ันที่แต่ไม่รู้น่ะมันจิตเอ็งี่มันจิตบาปอะไรอ่ามเียนั่นยอยากจะเอาบาปที่นื่นันเป็นห่วงโพ่คอย น, นะทำสอนไม่เสร็จทำสอนแบบไปทำชั่วถ้าจะทำดีทั้งนั้นเดี๋ยวจะกลัวกลัวความดีกลัวความดีเนี่ยอยากพี่น้องมาหาแต่มาเอออะไรเลยเก็นเถอะพอแล้วล่ะขอสักการะสักพิสุขสักพุทธสักโตสันเมื่อไงเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาให้เลี่ยงป่าเลี่ยงคลองมันได้น้ะ ลูกมันโตแล้วมันก็ลูกมันกลับมาอีกนะก็จะงานให้มันมันจะมีลูกใหม่ลูกมันก็เป็นหลานเรานะการเป็นเพื่อนทางพ่อทางแม่ทางลูกทางหลานทางพ่อเพื่อนั้นหมดในวันจะหยุดหรอกถาเรม่ตัดสินใจโรคนี้มันจะจบอย่างนี้พวกเราทางหลายนั้นต้องกันคิดดีๆให้ภาวนาดีๆซะก่อนถึงจะรู้เรื่องนั้นให้มันจบขเพิ่งจะจบถ้ามันงงก็ได้เออจะซะก่อนเทอะคือจะเข้าไปวัด อันนี้คือความใจจิตของคนมันคุมเงเส้นคนจิตแฝดดีนะคนผู้ชายคนจิตแฝดดีนะเก็บจิตแบบดีดีนะให้จิตแฝดดีดีเดินด้สยจิตจากคุมเมงมันถึงวัต่ออไรนะอืมทำไมอือไอ้ฟที่จะเชื่อใครง้อก็ยังได้แต่ละนั่นจะมีอะไรจะดีเดินเส้นกระปวดกันแล้วนั่งมันจะโอยลุกขึ้นจะออยไม่โอยดูเอยขมังนะมันดีนะมันดี แต่วมื่อสบายร้อนสบายสบายทุกอย่างทุกอย่างเดิม น, นี่จะนีนยงจิตจะทำงานของกรรมฐานนี้ต่อเรื่อยการ ม, มาทำอย่างนี้ให้มันรู้ให้มันเห็นการจริงๆนี่เ้าหมายที่รามาบวชเราจะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้จึงมาบวชนัาจะยืน่ราจะเดิ น, น่ารนนาจะนั่นนจะนานจนต้นจนจะกระทึงกรรมฐานให้รู้เห็นตามเป็นจริงอยู่เสมอ ไอ้ความคิดของจะรู้จะเห็นจะเป็นนั้นก็เรื่อว่ามีอุปกรณ์มันที่พูดมานี้ก็เลยถ้าจะนทำธนนะไปทานาดีกว่าสบายดี น, นดี้อกังวลแล้วมันพูดง่าแต่เมื่อไปทำนานีมันยากมีควายหมักมีข้าดหมักมีไถหมักมีมีโต๊หมังมีจอบหมั่งส้รละทัพอย่างเท่านั้นแหละถ้าจะพูดแต่ทํานาจะบาดีเทา่านั้นเลยหรือพูดอัเ ม, ม, ม, มื่อไปทำเจียงมันวุ่นหมันเต็ม มันมีเครื่องอุปกร์ทุกประการนี้เป็นปันจันสำคัญเมื่อเราจะพ้นทุกทำให้มันพ้นทุกันมีเครื่องอุปกรณ์ผือพื้นพื้นนี้คือข้อปฏิบัติ่ระละความตัวงะความผิดทางใจยทางใจทุกประการชื่อพูดมางทีแต่เราจะถอนถอนถ้าผักแต่มันจะสวยมีแต่งานจะถอนยากมันออกใช่ไหมและผักเขาจะมีโอกปสรรค ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเสดใสขึ้นสวยงามขึ้นเพราะอาย่าออกจากมันถอนของไม่ดีออกจากมันแล้วมันไปเจริญขึ้นจิตใจกายวาจาเรานี้สมบูรณ์ปันถ้าราแถนการชั่วออกแล้วเป็นต้นความดีไปเจริญขึ้นพนมประนูถึงงานนี้ฉันนั่งจอดไปนี้จนระการสร้างใจจะในพสะนครตึ้งถึงถึงแตกสถานไปประพฤติปฏิบัติสังวรสั้งรวมรวัง นักโมตระคะตะวตุอะระหโตสัมมาสัมุทขะคะนักโมตระคะตะวัตอะระหาโตสัมมาสัมุทขะคะนัโมตระคะะวัตอะระหโตสัมมาสัมปุทขะคะพุทธังเรังามิ ธรรมสระนึงพ e ัดผ่านยังขังสระนึงสัดผ่านสุยามพิพุทังสระนึงพัดานสุยมิธรรมสระนึงคัน สักที่ยัมปีจังขังเทเรนังขจามิสักที oh ่ยัมปพุทธังเทเรนังขจามิสักทยัมปีธรรมังเทเรนังทจามิสักที่ยัมปีจังคังเทเรนังขจามิ เพราะว่ท่านมังมิติทังตระหนี่ตัทวะรัมณีสิกขาตังสัมาทิยานิอะคคินมาธานาเวรัมณีสิกขาตังสัมาทิยานิ พลมมจริยาเวรัมณีสุขะปัจังสมาทิยาิมุสาวทาเวรัมณีสุขะปัจังสมาทิยานิ สิรามิระยกมาตัศมาท่านาวิรัมิศิษยาพัดังตัศมาที่นีิคาลโกจักรนาวิมัมิศิษยาพัดงสมาทีานี มัจจทีตวาทิตวิสูกะทัตตนาคามาตันทะเยตนาขารณมัรรดนาวิภูชนทานาเยพระมณีสิขาปัทงสมาทิยานิ ยจ้าเจยนมหาเจียนนาหีรามัญสิชาปัทหังธรรมทียามีอิมานิอัตภิสิชาปะทานีอิเรณะสุขจึงยันติอิเรณะโพปสัมปทา ที่เรนำไปสู่จันทติสัมมาสีระโอั